ใจเริ่มนิ่งแล้วรู้ว่าใจนิ่งนิ่งรู้เข้าไปตรงๆงเลยการภาวนาก็คือการหัดรู้สภาวะนะหัดรู้ไปเรื่อยๆสภาวะอะไรเกิดขึ้นในกายคอยรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้สึกนะ ห, หัดไปอย่างนี้แหละต่อไปจิตจำสภาวะแม่นสติเกิดเองตอนนี้อะไรเกิดขึ้นในกายนะสติะระลึกได้เอง อะไรเกิดขึ้นในจิตสติก็ะระลึกได้เองตรงมันระลึกได้เองนะมันใช้ได้ละมันไม่ได้เจือด้วยโลภะเจตนาถ้าเจตนาะระลึกนะจงใจะระลึกเนะี่ยส่วนใหญ่จะกลายเป็นเพ่งเข้าไปเพ่งไว้ไปจ้องไว้พอไปเพ่งไว้กายก็นิ่งใจก็นิ่งพอนิ่งก็ไม่แสดงไตรลักษณ์ดูเหมือนเที่ยงดูเหมือนมีความสุขดูเหมือนบังคับได้ ยิ่งภาวนาก็ยิ่งเห็นผิดไปหัดรู้จักสภาวะนะดูไปด้วยความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในกายในใจเรารู้สึกไปดูเล่นๆแต่ดูบ่อยๆ อ, อย่าไปจ้องไว้ดูสบายๆคอยรู้สึกเอารู้สึกแล้วมันเป็นไงก็ไม่แทรกแซงเห็นเห็นกิเลสเกิดขึ้นนี่กิเลสเกิดขึ้นอย่าไปเกลียดมัน ถ้าใจเกลียดมันก็รู้ทันความสุขเกิดขึ้นใจไปชอบมันก็รู้ทันนะเพราะฉนั้นหัดดูสภาวะนะดูสภาวะไปเรื่อยสภาวะสอนเราให้เห็นไตรลักษณ์มีแต่ความไม่เที่ยงอย่างใจของเรานะ่เปลี่ยนตลอดเวลาวแบบวแวบวแวบตลอดเวลามันไม่เที่ยงมันทนอยู่ในภาวะใดหนึ่งนานๆไม่ได้ยกเว้นแต่ไปเพ่งเอาไว้ เอาเข้าจริงก็บังคับไม่ได้เช่นสั่งให้มีความสุขก็ไม่ได้นะห้ามมีความทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้นะห้ามไม่ให้ชั่วก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ข อ, ของจริงมันจะแสดงไตรลักษณ์ให้ดูเราดูไปทาไมดูสภาวะที่เป็นรูปธรรมนำมาทมไปดูไปทาไมดูไปจนวันหนึ่งเห็นความจริงว่าสภาวะธรรมมีอยูนะ่มีเหตุก็เกิด มวเหตุก็ดับบังคับไม่ได้หมุนเวียนเปลีป่ยนแปลงไปด้วยแต่สภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นรูปธรรม ท, ทั้งที่เป็นนามธรรมเนะี่ยมันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยถ้าใครเขาถามนะว่าหลวงพ่อสอนอะไรนะบอกหลวงพ่อสอนให้ดูสภาวะถ้าเราเห็นสภาวะเนี่ยกระจายสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกมามจะเป็นตัวสภาวะทุกวันนี้เราคิดว่าตัวเรามีอยู่จริงๆเนี่ย <Yeah. S 1> อันนี้คือตัวเรา ในความรู้สึกของเรานั้นอะไรต่ออะไรของเราเ็มีตัวเรานะมันมีตัวเขามีของของเราขึ้นมาด้วยมีของของเขาขึ้นมาด้วยมันมีตัวเราจริงๆริงพอตัวเรานี้แปรปลวนไปไม่ได้อย่างใจนั้นก็มีความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าแยกออกไปนะสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือสภาวะ น, ะนั่นเองสภาวะที่เป็นรูปธปรรม ท, ที่เป็นนมามธรรมเราจะเห็นในรูปธรรมก็ไม่ใช่ตัวเรานมามธรรมก็ไม่ใช่ตัวเราแยก มันแยกออกไปมันจะเห็นไม่มีตัวเราให้ใคๆรถยนต์มีรถยนต์อยู่คันหนึ่งเราคิดว่ามีรถยนต์จริงๆเรามาถอดออกเป็นชิ้นๆใช่ไหอันนี้ลูกล้อลูกล้อก็ไม่ใช่รถยนต์เห็นมพวงมาลัยก็ไม่ใช่รถยนต์ตัวถังก็ไม่ใช่รถยนต์นะเบาะก็ไม่ใช่รถยนต์เบรกก็ไม่ใช่รถยนต์กันชนก็ไม่ใช่รถยนต์หลอดไฟสายไฟไม่ใช่รถยนต์ส่นเดียวถังน้ามันก็ไม่ใช่รถยนต์ ดูไปดูไปเราก็รู้ว่ารถยนต์เป็นแค่ภาพลวงตาเนี่ยถ้าเราสามารถแยกกายแยกใจออกไปแล้วก็เห็นความเป็นตัวเราเป็นแค่ภาพลวงตาไม่มีจริงหรอกทุกวันนี้เราสําคัญมั่นหมา ย, ว, ามมายว่ามันมีตัวเราจริงๆพอตัวนี้มันแก่ร่างกายมันแก่เราก็ว่าเราแก่ร่างกายมันเจ็บเราก็ว่าเราเจ็บร่างกายมันตายเราก็ว่าเราตายมันมีเราขึ้นมาพอมีเราเรารักมันหวงแหนมัน อยากให้มันดีตลอดอยากให้มันสุขตลอดเงี้ยมันอยู่ไม่ได้เราก็กลุ่มใจใจก็มีความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเพราะไม่เห็นความจริงนะว่ามันไม่ใช่เราไปคิดว่ามันเป็นเราให้มันก็มีความทุกข์จิตใจก็เหมือนกันนะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเราก็สําคัญผิดอย่างจิตมันโกรธเราก็สําคัญผิดว่าเราโกรธจิตมันโลภเราก็สําคัญผิดว่าเราโลภจิตมันหลงนะจิตมันไปคิด เราก็สําคัญผิดว่าเราคิดเนี่ยสําคัญผิดมันพอมันเป็นเราขึ้นมาเราก็อยากให้จิตเนี่ยจิตมันเป็นเราขึ้นมาเราก็อยากให้จิตมันมีแต่ความสุขความสบายมีแต่กุศลอะไรเงี้ยคนดีก็อยากให้มันเป็นกุศลทั้งวันพอมันไม่เป็นอย่างที่ต้องการมันก็ทุกข์ละมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะดีตลอดเป็นไปไม่ได้ที่จะสุขตลอดเป็นไปไม่ได้ที่จะสงบตลอดพอมันแปรปรวนขึ้นมาเราก็ทุกข์ แต่ถ้าเราเห็นความจริงจิตก็เป็นแค่สภาวะห น, นึ่งไม่ใช่เราหรอกจิตมันโลภไม่ใช่เราโลภนะจิตมันโกรธไม่ใช่เราโกรธจิตมันหลงไม่ใช่เราหลงเห็นอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปมันโกรธขึ้นมาก็ไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับเราจิตมันโกรธจะหาไปยุ่งอะไรกับมันจิตมันโลภไปยุ่งอะไรกับมันจิตมันสุขไปยุ่งอะไรกับมันจิตมันทุกข์ไปยุ่งอะไรกับมันเห็นว่ามันไม่ใช่เราเห็นขันนะมันไม่ใช่เรา นี่ฝึกมากเข้ามากเข้าน้เห็นขันมันทํางานของมันเองไม่ใช่เราเลยงั้นถ้ามันไม่ใช่เรานะ้ขันมันจะแก่ขันมันจะเจ็บขันมันจะตายขันมันจะพลัดพลากสิ่งที่มันรักขันมันจะเจอสิ่งที่มันไม่รักนขันมันจะอยากแล้วมันไม่สมอยากอะไรอย่างนี้ขันมันจะเหี่ยวแห้งใจเศร้าโศกเสียใจอะไรเป็นเรื่องของขันทั้งหมดเลยนะเราไม่เกี่ยวเราค่อยฝึกนะจนกระทั่งเราสามารถไม่เกี่ยวกับมันได้ เบื้องต้นจะไม่เกี่ยวกับกายก่อนพวกเราที่ฝึกกับหลวงพ่อสักช่วงหนึ่งสักเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยบางคนเริ่มเห็นแนละ้วร่างกายมันแยกออกไปต่หากนะร่างกายเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าร่างกายเป็นสภาวะอันหนึง่งร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอต่อไปเวลาจะเจ็บจะแก่จะตายอะไรขึ้นมาแล้วเห็นมันร่างกายมันแก่มันเจ็บมันตา ย, มตายมไม่ใช่เราลนะะหัดดูอย่างนี้เรื่อยๆมีสติรู้สึกตัวเห็นสภาวะมันทํางานนะ อย่างอาจารย์วัญชัยนะมาเรียนก็มาอย่างพวกเราเนี่ยตอนที่ท่านยังมาเรียนอยู่ยังมีชีวิตอยู่ท่านก็พาวนานได้ขนาดพวกเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเก่งกว่าพวกเราหรอกนะแต่พอท่านจะตายจริงๆนะหลวงพ่อก็อกะแล้วพรุ่งนี้ท่านตายรียบไปเยี่ยมวันนี้ไปให้กำลังใจท่านนะไปถึงก็บอกอาจารย์รอบนี้ตายแน่ยังไงอาจารย์ก็ไม่รอดหรอกนะ นี่ให้กำลังใจนะนักปฏิบัติให้กำลังใจใครอยากให้หลวงพ่อให้กำลังใจนะบอกอาจารย์รอบนี้ตายแน่อาจารย์ดูมันตายไปเลยนะร่างกายมันเจ็บนะไม่ใช่อาจารย์เจ็บร่างกายมันตายนะไม่ใช่อาจารย์ตายดูมันไปเลยนะท่านใจถึงนะท่านดูของท่านจริงๆดูจนตายได้ดีเลยตายได้สง่าผ่าเผยตายอย่างมีความสุข ตายด้วยจิต ท, ที่ร่าเริงจิตยิ้มตอนตายนะร่าเริงจิตยิ้มแยม้แยมแจ่มใสใครอยู่ใกล้จะสัมผัสเลยแม้มันเย็นช่าออกมาเลยนะจากใจของท่านนะเรียกว่าตายไม่เสียเที่ยวนะเพราะอะไรเพราะหัดเห็นสภาวะมันตายไม่ใช่เราตายนะเราไม่มนะีเห็นลงไปแจ่มแจ้งเลยไม่มีเรานะมีแต่ร่างกายมีแต่จิต ท, ที่เป็นคนรู้จิตก็เป็นสภาวะอันนึงไม่ใช่เรา ร่างกายมันจะเจ็บร่างกายมันจะตายก็ เ, เป็นแค่สภาวะอันนึงไม่ใช่เรานะเนี่ยการที่เราหัดดูสภาวะเนี่ยนะเพจะแยกสิ่งที่เป็นตัวเราออกมาเป็นส่วนๆแล้วเห็นว่ามันไม่มีตัวเรานี่เป็นวิธีศึกษาธรรมะในศาสนาพุทธนะท่านเจ้าขุณประยุทธ์ท่านเรียกว่าวิพัฒชวิธนะีเคยอ่านหนังสือท่านหนังสือพุทธธรรมตอนหนังสือพุทธธรรมออกใหม่ๆนะดีใจดีใจหนังสือเล่มนี้ดีมากเลย นะอ่านจนป่านนี้ยังอ่านสารบัญอ่านได้แต่สารบัญโอ้ยทำไมมันยากงั้นยากป่านนั้นนะมีสัพท์ที่เราไม่รู้นี่เยอะเหลือเกินนะอ่านอ่านโอ้ดีจังนะท่านสอนบวกศาสนาพุทธเนี่ยสอนวิพัชชวิธีวหวนสาริพอพานไว่นาอากาศชอช้างมีพัชชา้าว่าจับมันแยกออกไปแยกออกไป แยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกไปแล้วจะเห็นเนื้อเมตจะเป็นแต่สภาวะไม่มีตัวเราถ้าไม่มีตัวเราแล้วใครจะทุกข์สภาวะสิทุกไปแต่เราไม่ทุกข์เห็นไหมตัวสภาวะนั่นแหละที่เรียกว่าขันห้าขันห้ามันก็ทุกข์ในส่วนของขันห้าขันห้ายังไงก็ต้องทุกข์เพราะขันห้าเป็นกองทุกข์แต่ว่าเราไม่มีนะไม่ขันห้าไม่ใช่ตัวเราไม่มีเราในขันห้าไม่มีเรานอกจากขันห้าอีกงั้นขันห้าทุกข์ก็ทุกข์ไปเราไม่ทุกข์ด้วย เมื่อปีสองสี่ปลายปลายปีหลวงพ่อไปเจอธรรมะของหลวงปู่ดูลนครตอนนั้นไม่รู้จักท่านหลองก็งเขียนชื่อพระรัตนากรวิสุทธ์เขียนไม่แค่นั้นะใครก็ไม่รู้เขียนแล้วก็บอกว่าจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทยัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธ อันหนึ่งจิตมีธรรมชาติส่งออกนอกนี่มีอีกบทหนึ่งนะจิตมีธรรมชาติส่งออกนอกถ้าส่งออกนอกแล้วก็เพิ่มหมันไหวเป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกแล้วก็เพิ่มวันไหวเป็นทุกข์ถ้าจิตส่งออกนอกแล้วเนี่ยมีสติอยู่อย่างบริบูรณ์นะจิตไม่กระเพื่อมวันไหวเป็นมัจแล้วก็พ้นจากความทุกข์ไปให้เป็นนิโรธ พระริยเจ้าทั้งหลายนี่บทสรุปพระริยเจ้าทั้งหลายหมายถึงพระอรหันต์นะมีจิตไม่สรงออกนอกมีจิตไม่กับเพื่อ ม, มันไหวก็พ้นจากถุกธรรมาขอาท่านนึงอ่านตรงนี้โอ้อ่านแา้วสใจจังนะียตอนนี้เหลือท่านเดียวนึกออกไหมเหลือแต่จิตสรงออกนอกเป็นสมุ ท, ทัยท่อนหลังไม่มีละหายไปหมดละไม่มีใครทรงจําจไว้เลยทั้งๆ ท, ท, ที่ดีนะจําท่อนแรกไว้เพราะดูดูเก๋ไก่ดี พออ่านตรงนี้นะเรารู้สึกขึ้นมาธรรมะอะไรประหลาดจริงๆนะจิตมันทุกนะอืมถ้าจิตมันทุกนะมันไม่ใช่เราทุกเนี่ยีใจรู้สึกอย่างนี้นะถ้าจิตไม่ทุกเสียอย่างแล้วใครจะทุกเนี่ยอ่านธรรมะของท่านแล้วมันมกเข้ามาตรงนี้ได้โอ้อยากรู้จักนะอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้พระองค์นี้ไปเที่ยวถามถามคนนละ้วเาบอกโอ้คงตายไปแล้วล่ะคงมรณะภาพไปแล้วนะ เขาเป็นอาจารย์ของหลวงปู่ฟั่นอีกทีหนึงหลวงปู่ฟั่นยังสิ้นไปแล้วเลยสิ้นตั้งแต่ปีสองสมเมือหลายนึหลวงปู่ดุลจะไปอยู่ได้ไงอยู่มาจนถึงเดือนกุมภานะคงเชษมาบอกท่านยังอยู่นะอยู่สุรินรู้อยู่แค่เนี้ยรู้ว่าท่านอยู่สุรินชื่อหลวงปู่ดุลย์ก็ขึ้นรถไฟไปนะขึ้นรถไฟไปหาท่านไปแล้วเที่ยวถามเพิามยังไม่รู้เลยอยู่อำเภอไหนอยู่ที่ไหนไม่รู้หรองลุยไปถามเอา ไปถามถามนี่แท้อยู่ในเมืองนั่นเองเจอท่านเรียนจากท่านท่านสอนให้ดูจิตดูใจตัวเองแทนที่ท่านบอกว่ามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเนี่ยถ้าสํานวนแบบช่วยย่อยอนะสํานวนแบบกินยาช่วยย่อยมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมัน่นและเป็นกลางนี้ย่อยให้เสร็จแล้วนะถ้าเอาไปกินแล้วยังไม่ย่อยอยีกไม่รู้จะทํำยังไงและนะนะ ไปหาหลวงปู่นะหลวงปู่สอนการปฏิบัติไม่ยากยากแค่เพราะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนะังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองสอนเท่านี้นะแะละเราก็มาค่อยรู้ทันจิตตัวเองเมาค่อยรู้ไปได้เครื่องมือในการรู้จิตตัวเองนะก็คือสตินั่นเองตอนนั้นไม่รู้จกักครับไม่รู้สติสเตอรเป็นไงไม่รู้ทั้งสิ้นเลยนะท่านบอกให้อ่านจิตตัวเองก็ค่อยสังเกตว่าจิตมันเป็นยังไงจิตมันอยู่ที่ไหนจิตมันเป็นยังไง อ่านมันได้ยังไงคอยสังเกตก็รู้อยู่อย่างเดียวว่าจิตนียต้องอยู่ในร่างกายนี้แน่จิตนี้ไม่อยู่เกินร่างกายออกไปหรอกงั้นต่อไปนี้นั่งกรรมฐานของเราเนี่ยจะวนเวียนอยู่ไม่ให้เกินร่างกายออกไปหลวงพ่อไล่เลยนะจิตอยู่ในผมหรือเปล่าเราไม่รู้จักจิตนะจิตอยู่ในผมไหมตอนนั้นผมยาวมันโยมเนะี่ยดึงบี้ๆดู่เห็นจะมีจิต ต, ตรงไหนเลยมันเป็นวัตถุเฉยๆ จิตอยู่ในขนหรือเปล่าขนขนคิว้ควเมื่อก่อนก็มีขนคิ้วตอนนี้สั้นชุกจู่นะขนคิ้ววิ่งวิ่งดูนะก็ไม่เห็นมีจิตหรอกอยู่ในผมขนในเล็บมีไหมในเล็บในเล็บก็ไม่มีนะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไล่ไล่ไล่ไ ล, ล่อยู่ในร่างกายไล่ไปไล่มาไม่เห็นจะมีจิตเลยะแต่จิตต้องอยู่ในกายแต่เราหาไม่เจอจิตอยู่ในหัวใจเ่าอยู่ที่ไหนหรือเปล่าไล่ ย, ยังไงก็ไม่เจอ จิตคงไม่ใช่วัตถุแล้วจิตมันเลกขึ้นได้นะจิตมันไม่ใช่วัตถุเราเราไปหาแต่ตัววัตถุมันก็ไม่เจอสิจิตมันต้องเป็นความรู้สึกหรือว่าความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์จิตอยู่ในความรู้สึกสุขมีรู้สึกทุกข์ทำใจให้สบายรู้สึกมีความสุขนี่มาดูลงไปที่มีความสุขไม่เห็นจิตอีกนะความสุขไม่ใช่จิตอีกแล้วกลุ้มใจขึ้นมานะเรียกความกลุ้มใจก็ไม่ใช่จิตอีกแล้วดูไปดูไปนะในี่สุดก็จับได้จิตเป็นคนรู้ จิตเป็นคนรู้พอจิตเป็นคนรู้เราก็ค่อยๆเห็นนะทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่จิตรู้นี่ถ้าพูดในภาษาพิธรรมภาษาปริยัติแนละ้วก็คือจิตกับอารมณ์นั่นเองจิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์อารมณ์คือสิ่งที่จิตไปรู้เข้าคําว่าอารมณ์ในทางศาสนาพุทธไม่ได้แปลว่า emotion, อิมูชันอารมณ์แบบที่พวกเรารู้จักในคนยุคนี้รู้จักอารมณ์นั้นเป็นสัพท์เฉพาะแปลว่าสิ่งที่ถูกจิตรู้ เป็นของที่คู่กับจิตเสมอเลยนะมีจิตเมื่อไหร่ต้องมีอารมณ์มีอารมณ์ต้องมีจิตเป็นของคู่กันเมื่เราเรารู้รู้แล้วว่าโอ้จิตเป็นคนรู้อันนี้ค่อยๆสังเกตนะสวดมนต์ในใจพุทโธสุดสุดโธกรุณามหันโนเห็นเลยคาว่าพุทโธสูดสุดโธนะมันเหมือนงูเลื้อยออกมาจากถ้ำผลุดผลุดขึ้นมาจากความว่างๆนะจิตเป็นคนดูอยู่จิตมันก็ถอนตัวปุ๊บออกมาเป็นคนดู เนี่ดัวมาจากซูรินนะไปแวะโคราชด้วยไปหาหลวงพ่อพุธแล้วก็ขึ้นรถไฟต่อมากรุงเทพอีกคนละขบวนกันนะมาถึงกรุงเทพนะค่อยเห็นวนะ่าโอ้จิตมันเป็นตัวรูน้นี่จับเอาตัวรู้แยกออกมาได้นะแต่แยกได้แวบเดียวเองจิตตัวรู้ก็ไหลเข้าไปรวมกับอารมณ์อีกเพราะมันคุ้นเคยที่จะไหลเข้าไปรวมกันอีกเจ็ดวันต่อมานะดึงลูกเดียวเลย ทำไงจิตมันจะแยกออกมาหลวงปู่ให้ดูจิตเราจะได้ดึงให้หลุดออกมาแล้วจะไปดูมันเมื่อเข้าใจผิดละดูจิตไม่ใช่ไปดูตัวจิตตรงๆนะจริงๆก็คือดูตัวเจตสิกคือธรรมชาติที่เกิดร่วมกับจิตมันจะทําให้เห็นเลยจิตที่โกรธก็เป็นอย่างหนึ่งจิตที่โลภก็เป็นอย่างหนึ่งจิตที่หลงจิตที่สุขที่จิตที่ทุกข์อะไรเงี้ยเป็นแต่ละดวงแต่ละดวงคนละดวงกัน ถ้าไปแยกเอาจนตัวรู้ออกมาเนี่ยจะคงที่นะ้ตัวรู้ก็เป็นตัวรู้อยู่นั่นเองเหมือนไฟเนี่ยจับกี่ทีก็ร้อนทุกทีก็คงที่อยู่ยงั้นงั้นเราไม่ได้แยกอย่างนั้นแต่ว่าหลวงพ่อหัดใหม่ๆนะครูบาอาจารย์ไม่ได้ช่วยย่อยให้เพราะลบากพยายามแยกให่แยกดึงดึงดึงใหญ่นะหาทางทั้งดึงทั้งผลักนะแทบจะเรียกว่าเอาเท้าถีบมันเลยถีบไม่ทั้งนี้ก็พยายามเหนี่ยวนะยให้มันแยกนะทําอยู่อาทิตย์หนึ่งนะหลุดออกมาได้ ดีจังเลยหลุดออกมาแล้วหลุดออกมาแป๊บเดียวเองไม่กี่ขณะนะไหลเข้าไปรวมอีกแล้แต่ก็ยังดีวะดึงมึงเจ็วันนะั้นมันหลุดออกมาได้นานขึ้นแล้วเห็นไหมให้กําลังใจตัวเองด้วยนะนี่มีพัฒนาการแล้วเห็นไหมดึงแล้วมันแยกออกมาได้ดึงอีกห้าวันนะคราวนี้หลุดออกมาได้เป็นนาทีละดึงใหญ่กะนะวันนึงเนี่ยเราจะฝึกตัวเราไปเรื่อยจนทั้งวันหนึ่งมันหลุดออกมาตลอดเลยมันจะไม่เข้าไปอีกแล้ว คิดเอานะว่าถ้ามันหลุดออกมาได้ตลอดเนี่ต้องเป็นพระละหันแน่เลยเพราะจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเลยจิตไม่เห็นเจตสิก <c oughs> นี่ไม่เข้าใจเลยนะเนื <c oughs> ้อฟัดกับมันอยู่อย่างเนี้สามเดือนะถ้ามันหนักๆ ก, ก็แยกไปหนักๆ ก, ก็ไม่ใช่จิตนะแยกไปค่อยๆแยกค่อยๆย่อยค่อยๆย่อ ย, อ ย, อ ย, อยสลายสิ่งที่ไม่ใช่จิตไปได้จะเอาจิตฝึกอยู่สามเดือนนะไปส่งกันบ้านหลวงปูด่ดนะูลนื้ บอกว่าท่านชมแน่เลยว่าเราฉลาดฉลาดลูกศิษย์คนนี้เก่งจังเลยอะไรเงี้ยนะสามารถแยกเอาจิตออกมาได้แล้วไปนึกว่าท่านจะชมนะท่านบอกไปยุ่งกับอาการของจิตยังไม่ได้ดูจิตเลยไปไปกลับไปทำใหม่ที่ทำอยู่ผิดแล้วที่ถูกก็เป็นไงไม่บอกนะรู้อย่างเดียวว่าที่ทําอยู่ผิดเออไปพยายามแยกมันนี้ผิดนะนึกขึ้นได้ว่าท่าบอกให้ดูจิตเนี่ยท่านบอกให้ดูท่านไม่ได้บอกให้แยกนะ เราเสือกไปแยกเองนี่ต้องคํานี้นะเราเสือกไปแยกเองอะ่ะท่านบอกให้ดูตรงหักอะ่ะเอาใหม่วะคราวนี้มันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นมันโลภเห็นมันโลภนะมันโกรธเห็นมันโกรธนะบางทีใจก็แยกบางทีก็ไหลเข้าไปรวมกันยังไงก็ได้จริงๆร้อ ง, งไงก็ได้จนะแะฝึกไปฝึกไปนะจนมาหนึ่งแจ้งให้นมามันไม่มีเรานะจิตนี้ก็ไม่ใช่เราอะไรก็ไม่ใช่เราแต่และความสงสัยก็ยังมีอยู่นะ ว่าการปฏิบัติที่ละเอียดประณีตขึ้นไปเนี่ยเราต้องให้ตัวนี้แยกอยู่ตลอดหรือเปล่ามันมีสองตัวละอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกรู้เรียกว่าอารมณ์ไอ้จิตผู้รู้มันแยกออกมาอยู่ต่างหากเนะสร็จแล้วยังเกิดสงสัยได้อีกนะเราควรจะดูตัวไหนดีว่าเราจะเอาจิตไปตั้งไว้ที่ไหนดีว่านะจะตั้งไว้ที่ตัวรูน้นี่หรือจะตั้งไว้ตรงนี้ถ้าตัวนี้ก็เห็นมันเกิดดับไปเรื่อยๆถ้าตั้งไว้ตรงนี้ก็ว่างๆนิ่งๆไม่มีอะไร แค่จะดูถ้าตั้งไว้ตรงนี้ก็นิ่งๆนะหลวงปู่ดูลบอกให้ดูจิตพระพุทธเจ้าบอกให้ดูขันพระพเจ้าบอกว่าให้ให้รู้ทุกให้รู้รูปนามถ้าไม่ได้ให้ไปจ้องใส่ตัวจิตถ้าไม่หลวงปู่ดูลบอกให้ดูจิตหลวงปู่ดูลกับพระพุทธเจ้าทําไมสอนไม่เหมือนกันชักงงๆนะขนาดเห็นนะตัวเราไม่มีนะการภาวนาที่ยากลําบากที่ประณีตขึ้นไปก็ยังต้องรูปรบปคลำคลำอีกเพราะอยู่ห่างครูบาอาจารย์ นะสงสัยนะจิตมันอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้ไอ้นี่มันเป็นตัวผู้รู้นะตัวผู้รู้กับจิตอาจจะคนละตัวก็ได้นี่คิดไปอย่างนั้นอีกนะเสร็จแล้วมาดูอยู่ตรงนี้อีกคราวนึงไปหาหลวงปูดด่โดนอีกหลวงปู่จิตนั้นะมันตั้งอยู่ที่ไหนได้ให้ท่านชี้ขานะัมันตั้งอยู่ที่นี่หรือมันตั้งอยู่นี่เราก็คิดว่าต้องดูตรงนี้เนะพราะพระพุทธเจ้าบอกให้ดูขันมันทํางานมันเกิดดับ กะว่าคําตอบคําตอบสุดท้ายที่ท่านจะฟันธงเลยต้องหยุดกลางหน้าอกเนี่ยท่านบอกจิตไม่มีที่ตั้งสเสียงท่านจะบอกจิตไม่มีที่ตั้งฟัง่ฮะไม่มีที่ตั้งทจะดูที่ไหนอ่ะคราวนี้คราวนี้งงนะงงอยู่หลายปีเลยนะจนสิ้นหลวงปู่โดนไปจะถามท่านอีกนะว่าหลวงปู่ครับจะตั้งขยายความหลวงปู่ผมจะควรจะดูไอตัวเนี้ยหรือผมควรจะดูตัวนี้สงสัยนะ เอาไว้ดูเองก่อนนะเดี๋ยวค่อยถามทีหลังถามมากนะักก็เดี๋ยวหลวงปู่ว่าเราขี้เกียจ ด, ดูดูไปดูไปจนหลวงปู่มรณะภาพไปหลังจากนั้นไปอยู่กับหลวงปู่เทศขยับจะถามหลวงปู่เทศหลายทีนะขยับขยับถามแต่เรื่องอื่นนะพอมาถึงเรื่องนี้ว่าจะเอาจิตไปดูที่ไหนดีจะดูที่นี่หรือจะดูที่ตัวรู้นี่ขยับจะถามอยู่นั่นแหละนะไม่ถามนะั่นจะหลวงปู่เทศก็มรณภาพไป ไปเรียนกับหลวงปู่สิมิกนะหลวงปู่สิมมรณภาพไปอีกองหนะึ่งองครูบาอาจารย์ค่อยๆทยอยมรณภาพไปเรื่อยๆเราไม่ได้ถามใครนะจนมาบวชนะมาบวชตั้งแต่มาบวชนี่เรียนเนี่ยกับหลวงปู่สุวัตลนะนะให้ครูหลวงปู่สุวัตเนี่ยเป็นพ่อแม่ครูบอาจารย์องค์สุดท้ายเลยให้ชี้เป็นชี้ตายเราได้เลยถามดีไม่ดีถามดีไม่ดีเนี่ยอุตสาหอดกลั้นมายี่สิบปีแล้วอดกลั้นอีกหน่อยก็แล้วกันนะ ดูไปดูไปนะโอ้มันเห็นแต่ทุกข์ล้วนลวนนะเห็นแต่ทุกข์ล้วนลไอ้ น, นี่ก็ทุกข์ไอ้ น, นี่ก็ทุกข์ไม่เห็นมีตัวไหนมันไม่ทุกข์เลยนะถึงเข้าใจว่าจริงๆไม่ได้ดูตัวไหนหรอกทุกทุกตัวนะล้วนแต่สแสดงใจรักทําไมจะต้องเพ่งเล็งไปดูตัวใดตัวหนึ่งนะทั้งหมดเนี่ยแสดงใจรักเหมือนๆกันหมดเลยเราดูสภาวะทั้งหลายสเสมอภาคกันหมดนะสลัดทิ้งหมดเลยนะใจไม่ได้เอา ไม่ใช่ทิ้งตัวนี้แล้วเอาตัวนี้ไว้ถ้าทิ้งตัวนี้แล้วเอาตัวนี้ไว้เนี่ยมันเป็นภูมิธรรมของพระอนาคาจะติดอยู่ตรงนั้นถ้าไปไม่รอดลนะสมัยที่หลวงปู่ดูลยังอยู่นะ่ะไม่ยี่สิบกว่าปีก่อนยี่สิบเท่าไหร่ยี่สิบหกปีวันหนึ่งท่านก็เปรย์เปรย์นะพวกผู้ปฏิบัติส่วนมากเนะียกระทั่งที่มีชื่อเสียงมากๆเลยเนี่ยส่วนมากเป็นผีใหญ่ท่นว่างนี้คําว่าผีใหญ่ของท่านหมายถึงเป็นพระอนาคา ตายแล้วไปเป็นผุ่มเราก็ฟังไว้นะส่วนมากยังไม่จบหรอกทาไมมันยากเย็นแสนเข็ญนะผู้ปฏิบัตินะมีเยอะท่านบอกเหมือนขนวัวนะวัวทั้งตัวมีขนเยอะแต่ที่บริสุทธิ์หลุดพ้นไปเลยเหมือนเขาวัวเขาวัวมีนิดเดียวนะขนวัวมีเยอะยังมีขนลิงขนข้างขนช้างขนม้าอะไรเหมือนคนทั้งโลกนะเยอะแยะนะมีเยอะแยะ คนที่หลุดออกมาเหมือนเขาวัวมีสองอันนันมีน้อยถ้าไม่มีน้อยเพราะไปติดอยู่ที่ตัวรู้นี่แหละจะเอาตัวหนึ่งะจะไม่เอาตัวหนึ่งจะเอาตัวนี้ไว้จะไม่เอาตัวอื่ น, นยังเอาอยู่ยเอาอยู่ยังเกิดอีกย่งยังต้องสแสวงหาอยู่ยังดิ้นรนอยู่เกิดอีกเพราะนั้นภาวนาจริงๆไม่ใช่เพื่อจะเอาตัวไหนทั้งสิ้นหรอก ภาวนาเพื่อให้เห็นในทุกสิ่งมันไม่มีตัวเราเม้นแต่สภาวธรรมล้วนๆมีแต่สภาวธรรมนะรูปธรรมนามธรรมตัวจิตก็เป็นสภาวธรรมตัวรู้เป็นสภาวธรรมตัวเจตสิกคือสิ่งที่มาประกอบจิตเช่นความสุขความทุกข์ความโลภความโกรธความห ล, ลงนะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้เรียกเจตสิกเป็นสิ่งที่มาประกอบจิตทําให้จิตแต่และดวงหน้าตาไม่เหมือนกัน จิตโดยตัวของมันเองเป็นแค่ธรรมชาติรู้เป็นธรรมชาติรู้เหมือนกันหมดเลยเป็นแค่นี้เองเหมือนไฟมีธรรมชาติร้อนเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละเป็นลักษณะเฉพาะตัวจิตมีลักษณะเฉพาะตัวคือเป็นธรรมชาติรู้แต่ธรรมชาติรู้ดวงนี้กับธรรมชาติรู้อีกดวงหนึ่งมันไม่เหมือนกันเพราะเจตสิกที่มาประกอบมันไม่เหมือนกันคล้ายๆจิตเป็นน้าที่สะอาดนะใสไม่มีกลิน่นไม่มีรสไม่มีสี เราเอาสีเข้าไปใส่เอากลิ่นไปใส่นะอัดแก๊สลงไปก็เรียกนี่เป๊ปซี่นี่โคลานี่แฟนต้าอะไรเนี้ยนี่น้ำหอมนะนี่น้ำเน่าเนี่ยถาว่าน้ำน้ำมันก็น้ำเดียวกันใช่ไหมถ้าแยกธาตุออกมาแล้วมันก็เป็นอันเดียวกันน้ำใสใสไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสแต่มันแตกต่างกันขึ้นมาเรารู้ว่าน้ำขวดนี้กับน้ำขวดนี้เป็นขวดละอย่างกันเราเห็นเลยว่ามันเปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้น้ำหอมนะเก็บไว้หลายวันกลายเป็นน้ำเน่าน้ำเหม็น เราก็เห็นเออแต่ละอันตราะอนมันเปลี่ยนไม่คงที่จิตนี้ก็ไม่คงที่หรอกเดี๋ยวก็เป็นจิตโลภเดี๋ยวก็เป็นจิตไม่โลภเดี๋ยวเป็นจิตโกรธเดี๋ยเป็นจิตไม่โกรธเดี๋ยเป็นจิตหลงเดี๋ยวเป็นจิตไม่หลงแต่ถ้าเราไปจ้องใส่ตัวรู้มันจะรู้สึกเที่ยงพอเพ่งใส่ตัวรู้จะเป็นพลอมนะจะไปเป็นผีใหญ่เป็นพลอมนิ่งๆอยู่อย่างนั้นเองรู้สึกเที่ยงแต่ถ้าเราเห็นในจิตมันทํางานมันเกิดดับมันเกิดดับร่วมกับเจตสิกแต่ละดวงแต่ละดวง เจตสิกแต่ละดวงมันไม่เหมือนกันเนยเช่นความโกรธกับความโลภไม่เหมือนกันอาจิต ท, ที่โกรธกับจิต ท, ที่โลภมันก็เลยไม่เหมือนกันเราเห็นเลยว่ามันเป็นคนละดวงกันเราเห็นแล้จิตเป็นคนละดวงคนละดวงเราเห็นจิตเป็นคนละดวงได้นะเพราะว่าเจตสิกที่มาประกอบกันเนี่ยไม่คงที่เปลี่ยนไปเราก็เลยเห็นเลยจิตก็เกิดดับเหมือนกันนะถ้าจะดูแต่ตัวจิตจริงๆนะไปเพ่งใส่ตัวจิตเลยเนี่ยจะเห็นว่าไม่เกิดดับนะนะเห็นเที่ยงนะหลวงปู่ล่าปู่เจ้าก้อถึงสอนผู้ใดเห็นว่าจิตเที่ยงนะ เป็นมิจฉาทิฏฐินี่ท่านวา่าถ well, ้เสียหายเป็นมิจฉาทิฏฐิจริงๆไม่เที่ยงมันเกิดดับแต่ดูตัวมันเกิดดับเนี่ยดูตัวมันตรงๆไม่ได้จะไม่เห็นถ้าดูว่ามันเกิดร่วมกับเจตสิกจิตโลภเกิดแล้วก็ดับจิตโกรธเกิดแล้วก็ดับจิตหลงเกิดแล้วดับจิตสุขจิตทุกข์เกิดแล้วดับดูอย่างนี้ก็ได้หรือดูที่มันเกิดก็ได้จิตบางหวงเกิดที่ตาจิตบางหวงเกิดที่หู บางดวงเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจเราจะเห็นเลยเป็นจิตคนละดวงจิตที่เกิดที่ตาเกิดแล้วก็ดับเกิดจิตที่ใจเกิดจิตที่ใจแล้วก็ดับอาจจะไปเกิดจิตที่หูอะไรเงี้ยจะเห็นว่าจิตเป็นคนละดวงจิตมันเกิดดับงั้นภาวนาไปนะอย่าไปเพ่งใส่จิตภาวนาแล้วก็รู้จิตแต่ละดวงแต่ละดวงนะรู้โดยอาศัยรู้ผ่านเจตสิกบ้างอาศัยผ่านอายตนะที่จิตมันเกิดดับอยู่บ้างเราจะเห็นว่าจิตเองก็เกิดดับ ยากมากที่จะเห็นจิตเกิดดับอาศัยรู้เจตสิกอาศัยรู้ความรับรู้ทางอายตนะก็จะเห็นจิตมันเกิดดับได้ถึงวันหนึ่งก็จะแจ้งจิตงบเกิดดับเหมือนกันจิตก็ไม่เที่ยงเหมือนกันจิตก็เป็นทุกข์เหมือนกันจิตก็เป็นอนัตตาเหมือนกันจิตจะเกิดที่ตาหรือเกิดที่หูหรือเกิดที่ใจเราก็สั่งไม่ได้อย่างนั่งฟังหลวงพ่อพูดรู้สึกไหมบางทีมองหน้าหลวงพ่อ บางทีก็ตั้งใจฟังบางทีก็สลับไปคิดฟังไปคิดไปฟังไปคิดไปเห็นไหมจิตมันฟังบ้างจิตมันคิดบ้างเลือกได้ไหมเลือกไม่ได้เนี่ยดูของจริงลงไปอย่างเงี้ยเห็นเลยมันเลือกไม่ได้มันสั่งไม่ได้นะจิตมันสุขหรือจิตมันทุกข์ก็เลือกไม่ได้ไหมจิตมันดีหรือจิตมันชั่วก็เลือกไม่ได้ดูลงไปอย่างนี้เราจะเห็นว่าแต่ละอันแต่ละอันมันเลือกไม่ได้เลยจิตมันเกิดดับเนี่ยเฝ้ารู้ลงไปนะอย่างนี้เรียกว่าเราดูจิตตัวเองอยู่ นะไม่ได้ดูลอยๆเฉยๆเป็นผู้รู้อยู่เฉยๆแต่ดูโดยมันร่วมอยู่กับเจตสิกมันร่วมกับอายตนะนะต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้มาช่วยถึงจะเห็นว่าจิตแต่ละดวงนั้นเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเฝ้านะ ร, รู้เฝ้าดูไปนะเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีดูไปนะสบายๆดูไปเรื่อยๆวันหนึ่งก็แจ้งขึ้นมานะนะจิตไม่ใช่เราและจิตไม่ใช่เราจะไม่มีอะไรเป็นเราอีกแล้ว เพราะในบรรดาขันห้าทั้งหลายเนี่ยกายไม่ใช่เราดูง่ายที่สุดเลยฝึกกับหลวงพ่อเดือนเดียวก็เริ่มเห็นแล้วกายไม่ใช่เราฝึกว่าจิตไม่ใช่เราดูกันแรมปีนะดูกันไปเรื่อยจะไปทออถอยนะวันนี้ยังไม่เห็นไม่เป็นไรดูไปเรื่อยต่อมามันจะเริ่มเห็นนะบางวันก็เป็นเราบางขณะเป็นเราบางขณะไม่เป็นเราเนี่ยเริ่มเห็นแว บ, บๆเนะีตัวเราเกิดขึ้นชั่วคราวแวบๆก็บบาหายไปแต่พอเผลอเมื่อไหร่นะก็รู้สึกว่าจิตเป็นเราขึ้นมาอีก นะต้องดูไปเรื่อยจนวันหนึ่งเกิดอริยามรรคโสดาปฏิมรรคตัดชับเขาให้ทั้งากนั้นจิตไม่เป็นเราอีกแล้วไม่มีเงาแห่งความเป็นเราเกิดขึ้นในจิตอีกต่อไป น, ะนีละแล้วเป็นสมุทเฉดประหารฝึกเอานะฝึกเอาไม่ได้ยากหรอกง่ายสุดๆเลยถูกเขาด่าแล้วโมโหรั่วโมโหไปเห็นจิตมันโมโหไม่ใช่เราโมโอดูอย่างนีนะ้เห็นร่างกายมันยืนไม่ใช่เรายืนนะแต่ไม่ใช่คิดนะ ไม่ใช่หลวงพ่อพูดให้ฟังนี่ไม่ใช่พูดให้คิดแต่พูดนำร่องให้จิตของพวกเราพวกเรามีหน้านที่ฝึกรู้สึกตัวไปเรื่อยๆอย่าเผลออย่าเพ่งรู้สึกเรื่อยๆรู้กายบ้างรู้ใจบ้างรู้เล่นๆไปเดี๋ยววันหนึ่งจะเห็นในร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนจิตที่สุขที่ทุกข์ที่ดีที่ชั่วไม่ใช่เราดีเราชั่วเราสุขเราทุกข์อะไ ร, เ, ร, เ, ร, เ, รเห็นกายเห็นใจมันทำงานนะพูดเนี่ยพูดนำร่องให้จิตมันฟังไม่ใช่พูดให้ พ, หพวกเราจําใส่สมองนะ นำใส่สมองไว้แล้วก็กีเลสจะเอาไปกินหมดเลยนะพูดให้ฟังเล่นๆไปอย่างนั้นไม่ต้องซีเรียสให้หัดมีสติรู้กายรู้ใจของเราไปเรื่อยๆดูมันทํางานไปดูกายดูใจไปนะแล้วจิตที่มันเคยได้ยินธรรมะนํำร่องไว้เงี้ยเดี๋ยววันหนึ่งมันจะเฉลียวมาเห็นเองมันเฉลียวนะไม่ใช่ฉลาดมันเฉลียวมาเห็นเองว่ากายนี้ที่กําลังเคลื่อนไหวไม่ใช่เราหรอกจิตที่กาลังทํางานอยู่นี้ไม่ใช่เรามันเห็นเองนะ พวกเราก็มีหนะ้าที่รู้สึกตัวรู้กายรู้ใจไม่ลืมมันนานไม่เพ่งมันไว้รู้สึกไปส่วนธรรมะนี่หลวงพ่อก็พูดนำร่องให้จิตมันรู้ไว้เดี๋ยววันหนึ่งมันจะเห็นด้วยตัวของเราเองเเชิญไปทานข้าวนี่หมดเลยครับ